ที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่สามวิธีนั้นวิธีแรกคือเอหิภิกขุอุปสัมพทาพระศาสดาทรงประทานเองแก่ผู้มุ่งอุปสมบทด้วยพระวาจาว่าตรงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าผู้นั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วคือบรรลุอรหัตตผลแล้วขออุปสมบทก็จะไม่ตรัสประโยคหลังตรัสเพียงว่า จงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาจะบวชพระสาวกต้องพามาเฝ้าพระศาสดาเพื่อประธานอุปสมบทให้บางทีต้องเดินทางมาจากที่ไกลพระพุทธองค์ทรงเห็นความลําบากของผู้มุ่งการอุปสมบทและพระสาวกจึงทรงอนุญาตให้พระสาวกอุปสมบทได้เอง โดยให้ผู้ปรารถนาบวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยว่าพุทธังสรนังคัจฉามิเป็นต้นวิธีนี้เรียกติสระนะคมนูประสัมปทาต่อมาทรงอนุญาตการอุปสมบทแบบยติสถุทกรรมคือมีการเสนอยติหนึ่งครั้งและขอความยินยอมพร้อมใจจากสงฆ์อีกสามครั้งสามวาระรวมเป็นสี่ทั้งยติ จึงเรียบยติจตุธกรรมวิธีนี้เป็นการมอบความเป็นใหญ่ให้สงอย่างแท้จริงมีพระสารีบุตรเป็นอุปชายยะองค์แรกพระราธะเป็นภิกษุรูปแรกของวิธีนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหม์เมื่อเป็นคฤลหัดได้เป็นผู้ตกยากในยามชราซึ่งเป็นความทุกข์หนักของชีวิตไม่มีที่พึ่งอื่นจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวัน เมืองเสาวัถีช่วยดาย้าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าบ้วนปากน้ำล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่พิสุทั้งหลายพรหมามราธะมีศรัทธาในพระศาสนาอยากบวชเหลือเกินแต่ไม่มีพิสุรูปใดยอมบวชให้เพราะเห็นว่าราธพราหม์แก่แล้วเกรงจะเป็นผู้มีทิฏฐิมานะจัดว่ายากสอนยากพระรามผายพร้อมลง เพราะความไม่สมหวังวันหนึ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของราธพราหม์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหม์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากพิสุท์ทั้งหลายบ้างพราหม์กราบทูลว่าได้อาหารพออย่างชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการได้บวชในาศาสนา แต่ไม่มีพิสุรูปใดยอมบวชให้ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพระศาสดาสมปรารบเรื่องราัพราหมณี้เป็นเหตุรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามท่ามกลางสงฆ์ว่าพิกษุทั้งหลายในบรรดาพิสุจําำนวนเท่านี้ใครเคยได้รับอุปการะไรๆแม้เพียงเล็กน้อยจากราทพราม์บ้างเมื่อพิสษุอื่นๆนิ่งอยู่พระสาริบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระโจอมุนีข้าพระองค์ละลึกได้อยู่วันหนึ่งนานมาแล้วข้าพระองค์ออกบิณฑบาตในเมืองาราชคฤือพระทัพพราหมณ์ได้ให้อาหารทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์สารีบุตรเมื่อเป็นดังนี้เธอช่วยปลื้มทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะแก่ตนมิควรหรือควรพระเจ้าข้าพระสารีบุตรกราบทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเอง ดูเถิดพราดาดูความงามแห่งอุปนิสัยของผู้มิ ร, รมในจิตซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานระลึกถึงอุปการะของผู้เคยทำความดีแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยเพียงข้าวทัพพีเดียวไม่ต้องกล่าวถึงอุปการะมาก เมื่อพระราธะบวชแล้วด้วยยติจตุทกรรมวิธีโดยความยินยอมของพิสุสง์ดังนี้แล้วก็มีความชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่คอยและหวังมาเป็นเวลานานพระหนึ่งพื้นปฐพีอันแห้งผากแตกกระแหงเพราะขาดน้ําเมื่อได้พิรุณลังลงอย่างหนักย่อมชุ่มชื้นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันพลันพร้อมที่จะเป็นบอ่อเกิดแห่งพืชพันธุ์อันอุดม เป็นที่ชื่นชมสมานะแก่สัตว์ทั่วปฐพีพระราธะต้องลำบากเรื่องอาหารการขบฉันบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นผู้บวชภายแก่และเป็นพระใหม่ในโรงฉันท่านต้องนั่งาอาณอัสนะสุดท้ายตามธรรมเนียมทายกย่อมถวายอาหารแก่สง์ตั้งต้นแต่พระสังฆเถระลงมาเมื่อท่านพระราธะเป็นผู้ใหม่และอยู่ปลายแถวอาหารย่อมถึงแก่ท่านบ้าง ไม่ถึงแก่ท่านบ้างแต่ท่านก็อดทนไม่เคยปริปากบนในเรื่องนี้ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีได้ทราบความลำบากเรื่องอาหารของพระราชผู้เป็นสัตววิหาริกของตนจึงขนขวายช่วยเหลือโดยการนาไปสู่ที่จาริกต่างๆมีภิกษุตามไปน้อยพระธรรมเสนาบดีมีบารมีสูงมีคนเลื่อมใสมากจึงไม่ลาบากด้วยขัดแยโภชนาหาร พระราชาก็ได้อาศัยให้อินทริก ร, รีกระเป่าขึ้นมีผิวพันพองใสขึ้นในขณะที่จาริศอยู่นั้นพระสารีบุตรก็พร่ำสอนอบรมและตักเตือนพระราชะอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรเว้นสิ่งนี้ควรทําพระราชาเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายสอนง่ายรับโอวา ด, ด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาสของพระสารีบุตรอยู่อย่างสม่ําเสมอ ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัต h ผลพระสารีบุตรนำพระราทะกลับมาสู่สำนักพระาศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าสารีบุตรสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระองค์เห็นความผิดความบกพ ร, ร่องรายๆแล้วกล่าวสอนอยู่ พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัตว์วิหาริษอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายไม่จํากัดพระเจ้าข้าพระราดาคนดีแม้มีมากก็ไม่หนักส่วนคนชั่วแม้มีน้อยก็หนักแผ่นดินคนหนักจนแผ่นดินรับไว้ไม่ได้ถูกแผ่นดินสู่ไปก็มีคนดีแม้อยู่กันมากก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ส่วนคนชั่วอยู่กันเพียงจำนวนน้อยก็วุ่นวายเดือดร้อนผู้น้อยที่ว่ายากสอนยากแม้เพียงคนเดียวก็เป็นที่หนักอกหนักใจของผู้ใหญ่ถ้าว่า ง, ง่ายสอนง่ายแม้มีจำนวนมากก็ไม่ก่อความหนักใจให้มีแต่ให้ความโปรงใจเบาใจและชื่นใจเพราะทำอะไรพูดอะไรก็ถูกใจไปหมดพระดาคนสอนยากมีอยู่สองพวกคือพวกหนึ่ง มีทิฐิจัดกระด้างไม่ยอมรับฟังโอวาทอีกพวกหนึ่งรับฟังโอวาทไม่กระด้างแต่มีสติปัญญาน้อยไม่สามารถเข้าใจในคําสอนได้โดยง่ายต้องคอยเข็นคอยชี้จี้ให้ทําเขาไม่มีปัญญาเครื่องพิจารณ์ด้วยตนเองว่าอะไรควรทําอย่างไรให้เหมาะสมเป็นเรื่องๆไปคนอย่างนี้เป็นสิทธ์ก็เป็นที่หนักใจเหนื่อยใจของครูเป็นผู้อาศัย ก็เป็นที่เหนื่อยใจหนักใจของเจ้าของบ้านการใช้ให้คนโง่ทํางานบางทีก็เหนื่อยกว่าทําเองซสงอีกเหนื่อยใจเพราะเขาทํางานให้ผิดให้เสียการตามแก้ความผิดความเสียของงานนั้นเป็นความเหน็ดเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจเริ่มทําใหม่ซสเองยังจะสบายกว่าอย่างน้อยก็เป็นความสบายใจเพราะฉะนั้นคนที่มีนิสัยดีอยู่แล้ว การฝึกตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระ เป็นผู้มีความกตันยูกะตะเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้เคยถวายอาหารแก่ตนแม้เพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชัยยะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทํากิจที่บุคคลอื่นทําได้ยากฝ่ายพระราชะเล่าก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันเป็นอาจารย์พราดา ธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัยญญูกะตะเตวทีนั้นย่อมระลึกถึงอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีที่คนอื่นทำแล้วแก่ตนฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกะตัญยูกะตะเตวทีใครทำคุณให้คุณนั้นปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำ คนมีความกตันยูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณงามความดีส่วนใหญ่ทํานองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าหากว่าใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่เสมอคนกตันยูกตะเวทีมีแต่ความเจริญไม่เสื่อมส่วนคนอักตันยูมีแต่ความเสื่อมไม่เจริญ พระศาสดาสเสด็จมาอย่างธรรมสภาส่งทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่สารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีแม้ในชาติก่อนสมัยเป็นช้างซึ่งเป็นเดรัจฉานสารีบุตรก็มีความกตัญญูกตวเวทีเหมือนกันเมื่อตรัสดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่ง ถูกต่อไม้แหลมต่ำเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนช้างผู้กตันยูนั้นคือพระสารีบุตรในบัดนี้พระาศาสดาทรงปารบพระสารีบุตร ตรัสเรื่องช้างดังนี้แล้วทรงปราลบพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วทรงย้ำว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือน ในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นชั่วนั้นเป็นเสมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตใครครบเข้าก็มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยดูก่อนท่านผู้เป็นโอรสแห่งธรรมท่านลองตรองดูเถิดว่าการตักเตือนสั่งสอนผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องยากเพียงใดคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายหนก่อนจะเตือนใครได้เพราะเกรงเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมี เ, เรื่องคุณข้องมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทําอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าเอาว่าหมดเที่ยวเตือนคนอื่นอยู่ข้อบอกพร่องของตนก็มีทําไมไม่ตักเตือนตน แก้ไขข้อบกพร่องของตนบ้างเป็นตน้นโดยในดังกล่าวมาการตักเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพราดาผู้ชี้โทษนั้นมีอยู่สองจำพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่ง คนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักทวงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขารอายมีความมุ่งร้ายเป็นตัวนำพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอนดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดาเนินในสิ่งที่เป็นคุณ พวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทําความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดูก่อนผู้เห็นภัยในวัดตะเกี่ยวกับเรื่องการเตือนนี้สําหรับภิกษุควรปวรารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นอุปชัยยะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผม ต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อเห็นกระผมทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดูก่อนผู้สแสวงหาคุณที่ตรัสว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปชายะบางพวกเห็นข้อบกพร่องของสิทธิ์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงจะเสื่อมจากความรักความนับถือของสิทธิ์ เรงเธอจะเลิกอุปถาเลิกปรติบัติเสียการกระทํำดังนี้เป็นการเกลียรหรือเรี่ยรายอยากเยื่อลงในาศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปชัยยะที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของสิทธิ์แล้วจะต้องกล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะพูดปรามแล้วปรามเล่าซึ่งคนที่ควรปราม เราจั ก, กล่าวยกย่องแล้วยกย่องเล่าซึ่งบุคคลผู้ควรยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จักอยู่ได้ดังนี้ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นครูอาจารย์จึงต้องมันตักเตือนสั่งสอนสิทธ ครูอาจารย์ที่สิทธิ์จะรักในบ้านปลายก็คือครูที่มันสั่งสอนวิชาอบรมบ่มนิสัยสิทธิ์ให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยประละเลยสิทธิ์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูมินในเบื้องล่างถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟนเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธี เพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูอาจารย์กล่าวในระหว่างมิตรวิสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทําตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจกมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็ทํานองเดียวกัน เมื่อรักลูกก็ต้องมันตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เป็นคนดีเพราะความเป็นคนดีนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของลูกในภายหน้าเมื่อมารดาบิดาหาชีวิตไม่แล้วเมื่อลูกทำผิดก็ลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรเห็นเป็นถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นพานเกเร คนที่ต้องเสียใจายภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองลูกจะเสียอนาคตไปทั้งชาติการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนดังนี้แล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของเขา จักไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นําไปปฏิบัติตามบ้างตามสามารถหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นสเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสําคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น